อันสาของพระเน้ กนทำบุญในสถานที่ต่างๆการไปทําบุญของเขาเราจะไปหนักเพราะวันนาจะได้เดินยองกรมสะดวกสบายมันก็เป็นไปไดย้ยากเพราะสถานที่ที่เขาทําบุญมีผู้คนหนาแน่นและก็ในมีโอกาสเวลาที่จะเดินยองกรมได้ภาวานาสบายเหมือนอยู่ในวัดในวาของเรา นั่นทุกท่านที่มาบวชในาศาสนาระยะเวลาที่ยังไม่มีใครมากเกี่ยวข้องต้องต่างอ้าต่างตาปฏิบัติด่านอัดด่ า, น, ดา น, ในให้เห็นให้เป็นในจิตในใจถ้าาเราใจใส่ตั้งใจปฏิบัติจริงจังเรื่องความเป็นไปของจิตนั้นทุกท่านจะต้องเห็นต้องเป็น ไม่เหลือวิสัยต้องเป็นไปได้ทามุ่งมัม่นในการประพฤติปฏิบัติรักษาจิตใจของตัวจริงจังที่ไม่เห็นในเป็นเนื่องจากตัวของตัวเองไม่ใช่เรื่องอันอื่นที่มายุ่งเกี่ยวเรื่องของตัวไม่ได้เอาใจใส่ปล่ยยอยให้อารมณ์สัญญา ในจิตในใจมันจึงมันคิดผิดถูกอะไรไม่ค่อยได้คำนึงคานวณว่ามันได้มันเสียมันจิตมันถูกวันขึ้นก็เลยหลวงไปหลวงไป <c oughs> ความดีอะไรที่จะเกิดขึ้นในจิตในใจก็เลยไม่เห็นไม่เป็นให้ดังนั้นจงตั้งใจเรื่องการปล่อยปละละเลย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 ในต้องไปหาคนอื่นมาให้คะแนนตัวของตัวจะต้องทราบทำคําสอนของพระพุทธเจ้าในเข่าข้างออกขาไขถ้าหากตั้งหน้าตั้งตาเผื่อปฏิบัติคนนั้นจะมีสิทธู้เห็นเด่นชัดในอัตในธรรมสี่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ไม่ใช่ว่าคนนั้นจริงจะมีสิทคนนี้ไม่มีสิทไม่เป็นอย่างนั้นมีสิทเดียกัน ทุกทุนน่ะใมว่าพระหนุ่มพระปางกลางหรือพระแก่หรือค า, าวะ <c oughs> หากขอเพื่อปฏิบัติ <c oughs> เพราะทำนั้นเป็นเรื่องกำจัดความชั่วเสียต่างๆออกจากกายวาจาใจความชั่วเสียจะ ต, ต้องมีสติมีปัญญาจินจะทราบเรื่องมันเกิดขึ้น คือมันผ่านมาถ้าขาดสติขาดปัญญาอะไรเกิดขึ้นขอรวบลักรวมเอาหมดไม่ทราบว่าวมันจะเป็นคิดเป็นไพรให้แก่ตัว <c oughs> อย่างไรหรือจะเกิดคุณประโยชน์อย่างไรไม่ได้คำนึงคำนวลไม่ได้คิดได้ปรุงไม่ไดวิจารวิจัยเรื่องอารมณ์สัญญาอะไรนี่จะหอบเอาหอบเอาอย่างนั้นมันกล ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้หนอกแก่ใจจะเศร้าหมองหนอกแก่ใจจะเป็นทุกข์ความจริงการเป็นอยู่ในศาสนาร่วนของกายรู้สึกว่าได้เสียบคารวะเขาเราไม่มีธุระหน้าที่อะไรการงานอะไรมากเหมือนคาราะเพราะชีวิตของนักบวชเป็นอยู่ดืคนอื่นเขา <c oughs> อาหารการขวบฉันเขาขอหามาให้และทำสุกมาให้เช่ด้วยนใช่โยนมาให้ยิบๆให้เรามาปรุงมาแต่งเอาเขาทำสุกมาให้ทุกอย่างเรามีหน้าที่จะขวบฉันตามความต้องการของเราเหดีเต้เสวยอาหายุ่งเกี่ยว เกับเรื่องอาหารผ้าฝ่อนจนสบายใช้สอยต่างๆาว่าิวรณสังขาจติหรือสบงอังสะผ้าบริวารต่างๆนั่นเขาก็หามาให้เราไม่ต้องไปซื้อไปขอเขาหามาให้บูชาผู้ประพฤตปฏิบัติรักษาพระพุทธศ า, าสนาแต่ต้องเป็นผู้ที่มีอาจมีทมตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติ เขาจึงหามาให้ส่วนคนที่ประพฤติปฏิบัติไม่เอาฐานเพียงแต่เป็นเพศของพระของเ น, นเท่านั้นศินธรรมไม่คำนึงคำนวณขอวัดปฏิบัติอะไรเสื่อมโทรมเสียหายไปคนแบบนั้นถึงจะอยู่ในศาสนาก็ลำบากลำคาญจะต้องวิ่งเส้นแสวงหาและบางแห่งบางหหนบางสถานที่ ่อประกาศโฆษณาจะสร้างอันนั้นสร้างอันนี้หรือไม่มีใครมาจองกระสินเอาไว้ I. มีพรจะจำนวนเถานั้นเน้นแถานี้เพราะไ้การมาจองกระสินเพราะวันนี้ว่างเลยมีใครเขาจับจองอย่างนั้นก็เคยได้ยินจากเสียงของโลกมันเกิดขึ้นความจริงตาหาก เราผัวพืชปฏิบัติตามอาจธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนจะอยู่ในสถานที่ใดก็มีคนเหลื่อมใสศรัทธามีคนต่างหน้าต่างตาประพืชปฏิบัติตามไม่ให้ขาดตกบกท่องสิ่งของต่างๆสนับสนุนเต็มที่ขอให้ต่งหน้าต่างตาประพืชปฏิบัติกาย่ายจาจใจของตัวให้ดีอย่าไปคิดว่าจะอดยากยากจน คนจะมองข้ามขอให้ตัวของตัวประพิชปฏิบัติให้ดีเท่านั้นสิ่งต่างๆจะต้องมีมาทำอดอยากๆจนของพระเนนที่ประพิชปฏิบัติตามอัจธรรมนั้นจะไม่เกิดขึ้นสำหรับอามิสห่างจิตของตัวให้อยู่ในวงของอัดของธรรมได้มันสุขมันสบายที่อยู่ที่อาศัย เขาก็มาปลูกสร้างเอาให้ไม่ต้องไปสแสวงหาเขาก็อาเงินทองหรือพัสดุต่างๆมาก่อมาสร้างมันพอเป็ียนพอไปตลอดถึงหยูกยาแก้ไขเขาก็หามาให้และนีมนไปรักษาถ้าหากเราประพฤติปฏิบัติถูกอาถูกทำเขาไม้ไคิ เสียมาเสียน้อยเท่าไรขอให้ได้ปฏิบัติคููอาจารย์ที่แบบปฏิบัติดีตามอัตตามธรรมพขาเต็มใจทางนั้นหนเรื่องของชาของเนรเราจึงเป็นเรื่องสะดวกสบายทุกอย่างทางด้านวัตถุธาตุเราก็เพืปฏิบัติถูกต้องตามอัตตามธรรมผู้อยู่ในศาสนาที่กระวนกระวาย ไม่สุขไม่สบายไม่ใช่เพราะขาดแขนคนบำรุงรักษาเป็นไปจากจิตใจของตัวการขบการฉันการหนุ่งการห่มพอเป็นพอไปแต่จิตใจวิ่งวุ่นได้อันนี้อยากอันนั้นไม่มีวันพอดีให้ทางศาสนา สำรับตำราปริยัติท่านจึงกล่าวเอาไว้อันตรายของสิกสุสามเนียนที่บวชใหม่มีอยู่สีข้อดดวยกันคือหนึ่งเบื่อหน่ายในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่อยากทำตามท่านสอนไปอย่างหนึ่งแต่เราชอบไปอย่างหนึ่งท่านห้ามอย่าอย า, ยา แต่เราฝ่าฝืนธรรมจิตใจของมนุษย์ที่มีชีเลตันหาเป็นไปแบบนั้นด้วยกันทางนั้นมันไม่อยากจะฝึกหัดดัดแปลงตัวของตัวให้ดีแต่อยากดีการทำดีมันไม่อยากทำเหมือนกันกับคนจนอยากรวยแต่ไม่อยากทำงานเดินไปที่ไหนก็อยากจะให้ เป๋าเงินเขาตกจะเก็บได้สะดวกสบายหรือไม่อย่างนั้นก็คือหวยกันเพื่อจะได้กำไรมากๆอยากรวยทางลัดบางทีก็คนจีเขาฮะความรวยมาใส่ตัวแต่ไม่ได้คิดถึงอกคนอื่นนี <c oughs> ่คนชั่วเป็นแบบนั้นถั่วไฟเขาตำหนิมินทาตัวของเขาที่ทำอย่างนั้น กว่าทำนองเดียวกันสาคนอื่นมาทำกับเขาเขากว่าเสียใจแต่เขากทําทำไปไม่ได้คิดว่าผิดถูกดีชั่วงี่พวกนักบวชกว่าทํานองเดียวกันถ้าหากเดือนหน่ายในทำคำสอนของผู้ใจเจ้าการเป็นอยู่ของนักบวชถึงจะสะดวกสบายในการกินกันหนุ่มกันห่มต่างๆ แต่จิตใจมันก็กวนกวายวิ่งวุ่นออกไปอยากได้อันนั้นอยากทำอันนี้ตาก็อยากดูหูก็อยากฟังสิ่งที่หยว่วยวนจิตใจให้เกิดจิต劣ตัณหาไม่ละงับดับเรื่องชั่วข้องตัวข้อที่สองเห็นแก่าปากแก่ท้องทนความอดอยากไม่ได้ความจริงคนเรา ถึงจะมีอาหารการกินมากมายขนาดไหนก็จินเพียงอิ่มเดียวเท่านั้นกินอยู่ตลอดวันก็ไม่โตเท่าช้าเพราะมนุษย์เพียงแค่นั้นถ้าหากเราคบฉันเพียงพอวันหนึ่งมื้อเดียวเท่านั้นมันก็พอเป็นพอไปในถาดขันคนที่ฉันหรือทานมื้อเดียวอ้วนกว่าคนที่ทาน สามมืสี่มือ้อกว่ายัางนี้ในใ่มันขาดอาหารนี่เรื่องของใจมันอยากอันนั้นมันอยากอันนี้หาวิ่งตามเรื่องของมันในเวลาีิการทันห้ามเอาไว้ไม่สะดวกในการขบการฉันการอยู่การกินของตัวก็เลยทนไม่ได้หว่ามันจําเป็นอย่างนั้นมันจําเป็นอย่างนี้ทั้งสี่อยู่มาระยะเวลา หลายเดือนหลายปีก็ไม่เห็นอะไรที่มันตายไปที่อดมาทนมาแต่มันรบวนจิตใจมันอยากเรื่องอาหารเรื่องปากเรื่องท้องมีก็เป็นของพอประมาณขอทีสามเพลิดเพลินในการมาคุณคืออยากได้ความสุขยิ่งขึ้นไปข่อนนี้เป็นสิ่งสำคัญ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 หรือจะเป็นเมนเป็นภิษุท่านห้ามเพราะประเพณีที่ไปเกี่ยวข้องกับกรรมรมต่างๆที่ไปทัวพันเศษติดจิตจุงนั้นมันทาให้นักบวชถั่วไปกลายเป็นคนธรรมดาหรือเป็นสัตว์สิลลฉานไปไม่ใช่ปู่มาละมาเว้นมาประพฤติปฏิบัติข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญ ของทุกท่านจะต้องระวังรักษาตาดูหูฟังผูใหายฟินิพิจรารณาชำระใจของตัวอย่าให้ความชั่วเพื่อการมารมณ์ต่างๆเข้ามาเกาะอาศัยในจิตใจของตัวได้มันคิดขึ้นกว่าอันนี้มันเป็นที่เป็นภยัยไม่ใช่ศาสนาธรรมไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางออกจากทุกยิ่งไปหาทุก ค่ะคิดรุ้งยุ่งเกี่ยวไปเท่าไรใจก็ยิ่งเกิดทุกข์เกิดโทษเท่านั้นเลยอยู่ในศาสนายากท้งช้างทีิกายไม่มีโรคภัยอะไรเบียดเบียนแต่กิเลสตัณหาเบียดเบียนใจก็เลยอยู่ไม่ได้คิดว่าเป็นคารวะ ด, ดีกว่าจะได้ไปเกี่ยวไปชมไปดูไปสัมผัสไปเสพไปสมสะดวกสบายไม่มี ถ้าทานี้ในหักห้ามเอาไว้ใจผิดคิดไปอย่างนั้นเป็นใจผี่ผิดจากอาจจากทำการสอนความว่าพระพุทธเจ้ า, จาผูกคิดผูกปรุงยอมได้รับทุกใจทีความสุขความเย็นให้่านจริงให้ระวังรักษาเป็นอันตรายสำคัญสำหรับพร <c oughs> ะสำหรับนักบวชถั่วไป ก่อที่สี่อันตรายที่เกิดมีแก่นักบวชในตำราเพราะโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเขียนเอาไว้ควหมายถึงเพศผู้ชายสอนเพศผู้ชายแต่ผู้หญิงก็ทำนองเดียวกันถ้าเป็นนักบวชท่านว่ารักผู้หญิงมีหมายถึงสอนฝ่ายชายถ้าหาก ก่อนฝ่ายหญิงกอรักผู้ชายข้อนี้ตรงกันข้ามเพราะความจริงผู้ชายกอชอบผู้หญิงผู้หญิงก็ชอบผู้ชายนี่มันเป็นธรรมดาแต่ไหนแต่ไรมาเพศตรงกรันข้ามท่านห้ามไม่ให้ชอบให้จิตแต่จิตไปชอบไปติตในเพศแต่เราอยู่ในวัดจะไปเกี่ยวข้องแต่ตั้ง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 ไม่สามารถที่จะติดต่อให้เกลียวสดขึ้นอีกได้หรือตานถูกตัดยอดด่วนไปแล้วไม่มีวันที่จะงอกขึ้นไปอีกนี่ท่านเียบเอาไว้เหลืองของคลรุกาบาัตอาบัตปาราชิกคนผิดประพฤติผิดไปอย่างนั้นจะประพฤติปฏิบัติในชาตินั้นจะแก้ตัว แต่ตัวไม่ได้ถ้าอยู่ในศาสนาให้เขากราบไหว้ก็เป็นอาบัติหนักเป็นบาปมากเข้าไปเพราะเราขาดจากพิกษุขขาดจากนักบวชจะพูดปฏิบัติเพื่อมัรเพื่อผลไม่มีหวังเพราะใจคนผิดชั่วี่เสียทำไปผิดถึงที่สุดขนาดนั้นมันจะร้อนเขาทาอะไรลงไปกใ จ, ใจ ทำไม่ได้อารมณ์สัญญ้นยาคือเราทําไปพอจิตใจจะละเอียดไปหน่อยมันกอบฟุงขึ้นมาคิดขึ้นมาว่าเราทําชั่วทําเสียขนาดนั้นขนาดนี้ถึงคนอื่นไม่รู้แต่ตัวข้องตัวกดต้องรู้ในตัวข้องตัวดังนั้นท่านจึงห้ามเอาไว้อันตรายทั้งสี่ประการนี้มันไม่มีอยู่ในตำหลับตารามันมีอยู่ในกายวาจา ใจของผู้ประพพติปฏิบัติจึงควรสงวนรักษาเมื่อเราห้ามกั้นจิตใจของเราไม่ให้มีอันตรายมาเกี่ยวข้องพัวพันไดหลีกเลี่ยงอันตรายโดยอุบายปัญญาต่างเช่นการหนุนการหม o ไม่หรือหลาสวยงามกอดตามแต่ก็ออบอุ่นปิดอวัยวะเพศที่หน้า ระอาอได้ป้องกันหนาวร้อนเหยียบยุงได้เพียงแค่นั้นการนุ่งห่มจะเกี่ยความโปเจรูหลางามตาอวดคนนั้นแข่งคนนี้การขบฉันก็เหมือนกันพอประทังขาดฉันเอาไว้จะได้ตั้งใจประพฤติธปฏิบัติอาจทำให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยถ้าหากไม่มีอาหารการขบฉัน ร่างกายก็อ่อนเพียไม่มีกำลังที่จะเดินจงกรมภาวนาต่างหนาต่างตาปฏิบัติตามอาัตธรรมสะดวกสบายก็วบฉันไปเพื่อเป็นยาสำหรับรักษาถาดขันธ์เท่านั้นไม่ได้นิยมรสชาติอร็จอร่อยเท่าไรสียงใดที่ไม่ผิดพระวินยัยสียงใดที่ไม่สแสลงแกธาตุขันธ์ วกไฟของตัวนั้นพระที่ท่านมีอาจมีทำผัญครบชั้นได้ในรั่งเกียรตในสิ่งนั้นเพราะท่านที่ได้พิจารณารอบในเรื่องของท่านหรืเรื่องยุ่งเกี่ยวตัวพัน์อยากสุกอยากสบายในคาราวาัตว่ามันสุขมันสบายอย่างนั้นอย่างนี้ก็ให้มีปัญญาพิจารณาดูเขาอยู่ในคารวาต เขาฝกเขสบายจริงหรือมันยุง่งมันลําบากขนาดไหนการงานไม่ว่ากลางวันกลางคืนคิดปุงดุงเจเกี่ยวอยู่อย่างนั้นไม่มีวันที่จะมาหลับตาภาวนาตวดมลไหวพระสะดวกสบายให้เยกอันนั้นเดี๋ยวอันนี้ยิ่งมีครอบครัวเข้าไปก็ยิ่งยุ่งใหญ่เพราะหลายปากหลายท้อง จะนอนสะดวกสบายก็ไม่ได้เดยวะลูกร้องไห้ก็จะต้องดูแลเยอะจริงของอยู่นั่นอยู่นี้มีเสียงแปตกหูแตกตาขึ้นมาก็จะต้องห่วงว่ากลัวคนเขาจะมาฝนมาจี๋มาลักมาขโมยเอาหนี้มันยุ่งแสนยุ่งยิ่งชาวนาก็เคยเห็นไหมพวกเราส่วนใหญ่ที่มาบ ว, วกชก็ปลูกชาวไร่ชาวนากัน มันทุกยากลาบากไหนหนาดไหนหลังสู่สู่ฟ้าหน้าสู่ดินทําอยากทํามจินอาบเหงื่ออยู่ตลอดเวลาฝนตกมาก็เปียกอยู่นั้นแหะเราไปบินทบาทฝนตกก็ยังมีร่มกันไปสะดวกสบายเวลามาฉันก็อยู่ในสถานที่โอถงนั่งอยู่ในศาลาไม่ได้ฉันตามสถาน ที่ยุ่งยากลำบากนั่นชาวนาบางทียินในคันนากินขาบฝนตกก็หนังอยู่นั้นเคยเห็นนอกจากนั้นการตื่นนอนก็ตื่นแต่เช้ามีวัวมีควายม่ลูกบางทีก็หาบติดบ่าแล้วก็มีวัวมีควายจูงกันไปดึงกันไปทั้งข้างหน้าข้างหลังบางทีก็ลูก ร้องให้ตามหลังมันยุ่งแสนยุ่งลำบากแสนลำบากแต่คนที่ในพินิจพิจรารณาเลยถือว่ามันเป็นเรื่องสนุกมันเป็นเรื่องสบายมันเป็นเรื่องดีเรื่องดีศษเพราะเครียดทับผมจิตใจไม่ได้ใครจิตพินิจพิจรารณาหาความจริงของมันมันจริงหลงนี่ความมักใหญ่ไฟสูงตูงไป ในทางกิเลสมันเกิดทุกข์เกิดโทษอย่างนั้นถ้าไปเชื่อมันจึงไม่มีหวังในความสุขความสบายได้มีแต่จ ะ, จะทุกข์จะเดือดร้อนวุ่นวายแต่เมื่อเข้าถึงขั้นของมันแล้วจะกลับมาอีกมันก็กลับมายา้าพวกเขาจะดูหมิ่นนินทาว่าหาจนินไม่พอปากพอท้องติงออกมามีครอบครัวยงเขาไม่คุ้มเลย วิ่งเข้ามาบวชอีกกลัวเขาจะดูถูกบินทาอย่างนั้นหรืออีกอย่างก็ไม่คิดทางจะมาประพฤติปฏิบัติจิตใจข้องตัวมันเป็นไปหลายแง่หลายมุมที่ให้ทุกข์ให้ทษแก่ตัวรักผู้หญิงรักผู้ชายก็เหมือนกันเราต้องมีปัญญาตั้งมัน่นทีนี้พิจารณาหาทางแก้ไขใจข้องตัวใจเท่านั้น ที่มันไปยุ่งเกี่ยวกายจริงๆมันไม่รู้เรื่องอะไรไปทิ้งไปที่ไหนมันก็อยู่อย่างนั้นเหมือนกันกับก้อนดินหรือถอนไม้มันไหนไปไปที่ไหนถ้าไม่มีจิตมีใจมันไม่มีความหมายอะไรเรื่องของกายแล้วที่มันไปยุ่งไปเกี่ยวไปชอบติดในเรื่องนั้นมันเป็นอะไรกันเรื่องนั้นนั้น มันสวยงามน่าอยากได้หน้าจูบหน้าชมจริงๆหรือที่คายออกดูหูของมันตาของมันมีขี่ไหมจมูกของมันเป็นอย่างไรยิงหน้าที่เราชอบอีกทงมีขุมขี้อยู่นั้นตัางหลายขุมตาสองขุมหูสองขุมจมูกอีกสองขุมปากอีกขุมหนึ่งเป็นเจ็ดขุมนะ มันไหลออกมาอยู่ทุกระยะเวลาเช้าก็ล้างเสี่ยงก็ล้าเย็นก็ล้างล้างขี้ออกจากหน้าแต่เราก็ถือว่ามันสวยมันงา ม, มเพราะมมนได้ที่จะนาหาความจริงของมันเลยสาใจกันว่ามันดิดมันดีมันชอบขี้สำหรับตัดที่ชั่วที่เสียของดีถ้ามันไม่ชอบจิตใจของคนทิต มืดหนาด้วยจิเลตันหามันก็ชอบอย่างนั้นมันไม่ชอบอาจชอบทำสี่พระพุทธเจ้าเจ้าทรงแนสอนมันจึงหลงไหลใฝ่ฝันในสิ่งที่ไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรให้นี่ทางพิจารณาแจกไขใจของตัวพิจารณาไปหลายแงี่ยหลายมุมจะพิจารณาเป็นอสุภะอสุภางก็ได้จะพิจรารณาเรื่องความตาย ก็สามารถแก้ไขใจของตัวสี่่วดเสียออกไปได้ทางมันเปิดกว้างอยู่เราจะเดินไปชิดใดทางใดเดินไปได้หากร่างกายของเราไม่มีโรคภัยแข็งแรงพอจะไปนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันธรรธรรมขันมากมายหลายหลวงที่เราจะมาแก้ไขใจของเราสี่่วดเสียแต่ทำไมใจจึงไม่คิดที่จะแก้ตัว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 การประพฤติปฏิบัติตามอัตธรรมของพระพุทธเจ้าจึงจําเป็นที่พวกเราทุกคนควรสนใจควรประพฤติปฏิบัติเพราะนักบวชคือผู้ประพฤติปฏิบัติซึ่งเป็นสาสนาท้ายยากสืบพระพุทธเจ้ามาถ้านักบวชไม่มีธรรมไม่มีวินยัยจิตใจชั่วเสียความประพฤติทางกายทางวาจาไม่น่าเลื่อมใสแล้วจะมีใครในโลก ประพฤติปฏิบัติตามอาจทำได้นักบวชมีหน้าที่ที่จะชาระกายใจของตัวจึงควรอย่างยิ่งที่จะกระทําบําเพ็ญให้รู้ให้เห็นให้เป็นในจิตของตัวไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีความสุขความสบายให้พากันสอนใจของตัวและชั่วบําเพ็ญดีอย่าไปคิดว่าการนั่นก่อนการนี้ก่อนเวลานี้ยัง อายุน้อยอยู่ยังนมอยู่ความตายมันไม่เลือกหน้าอยู่ในขันไม่กี่วันมันกวดตายแห้งออกมามันเอาแน่ไม่ได้ความตายเราจะไปขาดหมายวะ่ะอายุแก่เช่นก่อนจึงจะทำอย่าไปคิดอายุแก่อารมณ์สัญนยาที่เคยคิดเคยปรุงดุ่มเกี่ยวกับที่เหลือตัณหามันจะตกไปก็อย่าจะคิดมันแก่แตงแก่เรื่องของขาดของขัน ของกายเท่านั้นจิตใจมันไม่มีแก่มันยังคงเส้นคงวาของมันมันเรื่องจิ่เหตุตัณหามันจะตกไปเองของมันเป็นไฟไม่ได้ต้องรักษาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยธรรมะของพุทธเจ้าถากเทียนขับไล่ความชั่วทั่วไปให้ตกนี่คือนักบวชผู้ที่จะชื่อพระพุทธศาสนาที่จะดำรงไว้ถึงมรรคถึงผล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 สภาฝาืนบาทรทำไมพุธทธทางธรรมังสังขังสารนังกระชา้นถึงพระพุทธเจ้าถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถือพระธรรมว่าอริยสงฆ์เป็นสารณะเราเหยียบย่ําทําลายาศาสนาหรือเราเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าการทําก็ดีการพูดกว่าดีการคิดทางใจกว่าดีให้พิจายนะให้ทีท่วนรักษาตัวคล้องตัวคนอื่นไม่ใช่ทาส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 ที่จะสุขจะสบายเทาจิตใจพ้นไปจากจิรลสตัณหาแต่คนไม่เคยเห็นเคยเป็นในจิตในใจหลงไหลไฟฝันเหืดบอดในกิเลสตัณหาเท่านั้นจึงไม่เห็นคุณค่าของธรรมะจึงไม่อยากศึกษาไม่ปฏิบัติเพราะเชื่อเรื่องของกิเลสตัณหามันปิดบังเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่าง เห็นร้อนเป็นเย็นเห็นถูกเป็นทุกเห็นผิดเป็นถูกเห็นดีเป็นชั่วไปนี่คือจิตใจที่มืดบอดด้วยจีเลตันหามันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นขอทุกท่านจงมั่นที่นีพิจรารณาตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติรักษากายว่าใจาจิตของตัวอย่าไปให้วันคืนเดือนปีผ่านไป เสียเปล่าดิ่ประพฤติปฏิบัติให้เห็นให้เป็นในจิตในใจตายเมื่ อ, อไรพร้อมเสมอเราจะไปสู่จุดใดที่ใดนั้นไม่มีทางสงสัยเราทราบจากใจของเราที่ประพฤติปฏิบัติเราหลงไลใฝ่ฝันอยากได้อะไรของในโลกไม่มีใครที่จะหอบหน่วหาผามไปได้ความลุ่มหลง เรื่องกามมารมณ์ต่างๆว่ามันสุขมันสบายมันดีมันดีเสษมันเป็นเรื่องกิเลสศาสตร์มันก็เสพกันได้คนเสพกามศาสตร์เสพกาไม่ใช่ความสุขความสบายหน้าตาที่เคยผ่องใสสวยงามถ้าเล่นกามเข้าไปก็หน้าตาเหลืองติดหอมไม่มีกำลังทางกายทางใจจะให้มันอิ่มมันพอ มันเป็นไปไม่ได้ทันจริงว่าสัตว์ไม่อิม่มในการเสพตามเสพเท่าไรก็ยิ่ ง, ลงหลงไหลยิงเผิดเพลินยิงมัวเมายิ่งเศรษองไปเถา น, นั้นไม่มีทางที่จะจืดจางเดือหน่ายพยายามทินี้พิจัยนะสำละใจของตัวอย่าให้มันไปติดไปคล่องไปเผิดไปเพลินไปหลุ่มไปหลง อันตรายทั้งสี่ข้อสี่พระพุทธเจา้หาหักห้ามเอาไว้ไม่ว่าพิษุใหม่พิษุเก่าถ้าหากสิ่งเหล่านี้มากกาเกี่ยวรัวพันในจิตในใจคนนั้นเป็นอันตรายในการปฏริบัติธรรมะของพระพุทธเจา้าถ้าหากกําจัดขับไล่สายส่งสัญญาอารมณ์เหล่านั้นให้ตกออกไปใจจะเป็นศีลใจจะเป็นพระคือผู้ประเสริฐ ใจจะเป็นสมณะคือผู้สงบเราต้องการความสงบต้องการความประเสริฐไหมหรือต้องการความโง่ความวุ่นวายงงาก็จงจิตนิพจานาดูจิตดูใจของตัวมีสติทราบในเรื่องของใจจิ่ไปเกาะเกี่ยวมีปัญญาเนี่ยสอนใจไม่อย่างนั้นก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะแก้ไขมันได้นะับวันที่จะหลุ่มหลง มัวเมาเลื่อยไปทั้งๆ ท, ที่เพศเป็นเศทจิตปเสริฐอยู่จินหลับนอนจากคนอื่นเขาเขากราบไหวบูชาว่าเราประพฤติตัวดีมีศีลมีธรรมแต่จิตใจมันหมอดดำไปด้วยจีเลตันหามันก่ธหน้าสงสารเบทชนาหน้าที่จะสอนตัวเอง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 โรงสอนตนอย่างนั้นไม่อย่างนั้นก็ไม่มีวันที่จะดิบจะดีจะกลับตัวได้เรื่องของธรรมะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเ <c oughs> นี่ยสอนกายราจาใจของบุคคลสิ่งที่ชั่วท่านก็บอกห้ามเอาไว้สิ่งที่ดีควรกระทำมาเ็นท่านก็เนะนํนำสั่งสอนให้เราวเราจะทำอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อ ความบริสุทธิ์หลุดจากกิเลสตัณหาก็เป็นหน้าที่ของเราควรที่จะแน่สอนกายมาจากใจของเราอีกในใจพระพุทธเจ้ า, จาสอนแล้วเราจะดีไปถ้าเราไม่ปลับตัวละชั่วประพฤติตัวให้ดีแล้วมันไม่ดีไปจะจำมาได้มากขนาดไหนมันก็เป็นความจำแากกิเลส อ, อยู่ในจิตในใจไม่มีอะไรตกหลุดออกไปมีใจทิฏฐิมานะว่าเราเรียน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 ตามอารทำที่พระพุทธเจ้าสอนคนที่เข้าถึงอาจถึงทำจริงๆังแล้วสงบละงับมีความสุขความสบายเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วเห็นผิดเป็นผิ ด, เ, ผดเห็นถูกเป็นถูกนี่คือกา ร, รประพฤติปฏิบัติตามอาจทำที่พระพุทธเจ้าสอนประจกักษ์ชัดเจนเป็นสันทิตริโกในตัวดังนั้นขอทุกท่านเมื่อได้สดับรับฟัง คำเตือนมาจงนำไปที่นี่พิเจนาศึกษาต่างหน้าต่างตาปฏิบัติต่อจากนั้นไปก็จะมีความสงบเย็นภายในการอธิบายธรรมะเย็นว่าพอสมควรถึงเวลาข อ, อยุติเพียงแค่นี้เองบัง